สองอย่างนี้ลองดูจะรู้จกเลือกเราจึงมาฝึกตนสอนตนมันมีให้เราสอนอยู่มีให้เราบอกอยู่มีกายเอากายมาผิดอุปกณ์ความรู้สึกตัวนีใจก็เอาใจมาเป็นเครื่องฝึกตนให้มีความรู้สึกตัวมังก็หลงอยู่ที่กายที่ใจนี่จึงมา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 รูต่อในไม่เหมือนรูต่อเนอื้อจะหมูได้กินเล่นได้ลดกายสัมผัสจิตใจคิดนึกหนังก็รูดได้แต่เวลาเราฝึกหัดจริงๆเรามาเอากายเป็นที่ตั้งให้มันรูอยู่ที่กายนี่ยาวๆ น, น, นานๆเอากายไปจุ่มเอาความรู้สึกตัวให้กามันติดกับความรู้สึกตัวจะได้ก็เจตนา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 ตาหิ้วไปก็ไปกับตาเข้าหลงหนังลงละครใจก็ไปใจก็ไปก็เมืยคืนยืนไม่อยู่เวลาหลับเวลานอนก็ไปถ้าเขาหิ้วไปมันพวกมันเถื่อนมันสมสน่นเป็นโสภินีโสภินีจิตโสภินีกายตรอหิ้วไปอะไรก็ไปไปจินเล่าโอยาไปฆ่าไปตีกันก็ไปใจก็สมส่วนหมกมุ่นคุค้นคิด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 ให้บรนเทนเขาจริงจิงเคยถูกครูอาจารย์บอกสอนเหมือนกันจช่นเคยตื่นโดยหลนเรื่องนี้แต่ก่อนก็รู้เหมือนกันรู้ถึงว่าดีกว่าคนนอนแต่ก่อนสมคัญมันหมายพอถูกหลวงปู่เทียนสอนหมดตัวเลยสิ่งที่เรารู้สําคัญว่าดี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 ถึงบ้านถึงช่องถึงปติพี่นิณธุปัญญาสามีกลักความชังมันเปิดเบื้อนมาเยอะแยะควกลอกก็เป็นแผลความชังก็เป็นแผลความสุขความทุกข์เป็นแผลมีรอยแล้วก็มีสัญญาทําให้วนเนวีย์อยู่สิบปียี่สิบปียังเอามาคิดก็ขับมามารู้จุกตัว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 พออผลมันตกถนนมันลื่นถนนมันลื่นเออเราเดินถนนเราจึงหัวล้มเออเราล้มหัวเราไปถูกต่อไหมเออหัวเราไปถูกต่อหัวเราจึงแตกเออหัวเราแตกเราจึงไปหาหมอเออหมอเห็นหัวเราแตกหมอเย็บแผลให้เออมีแผลในหัวหมอให้พักโรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้ยโชคด้วยโชคด้วยโชคด้วย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 พระอนาคามีปักไปเลยโอ้เหมือนเห็ดูพุนไปเลจสมายเลยผู้มีภพกันเดียวปุดุชนหนึ่งร้อยภพร้อยชาติควาทุกข์ก็ทุกขแล้วทุกข์อีกเรื่องก่เอามาคิดปีกายนี่ผ่านมาแล้วเอามาคิดแล้วบางทีก็ให้มานอนอยู่กับเราข้ามวัมนข้ามคืนอ้นี้ใครห้ามเวลาโกรธยาโกรธแม่เอ้ยน้องเอ้ย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 มันมีบ้านเป็นนมัตะในที่สุดบ้านนันเนี่ยไม่มีการเกิดเจ็บเจ็บตายคือไม่เป็นอะไรกับอะไรหรือว่าชีวิตที่มีบ้านถ้ายังพัดถิ่นพัดบ้านงมไลคงดีผู้ผู้แพร่แพร่หรื อ, รอว่าจนหรืออาพับคนอาพับอับจนมีบ้านหรูหราก็อ น, นอนไม่หลับหัวแต่คิดหมกมุ่นคนคิดมีแต่อารมณ์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 มันออยเครื่องขึ้นมาแล้วก็ลุกนีลุกตนเราก็เอาผ้าอาบน้ำไปปิดให้ก็ยังร้อนอยู่ไม่ไหวไม่ไหวแย่เย่ย่ตายตายตายเงือกซมอนตาก็นั่งกันข้างอนตาก็พูดในใจหหวไหวไม่แย่ไม่แย่ไม่ตายไม่า <laughs> พูดสวนทางกับพี่สองเขา เพื่อนเราไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่แย่แย่ตายตายก็นั่งอยู่เฉยไหวไหวไม่แย่ไม่เย่ไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจมันก็ค่อยร้อนเหงื่อก็ไม่ออกมากถ้าทําใจนะถ้าร้อนร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่เป็นไรใจร้อนรอยร้อยเปอร์เซ็นใจเหลืออยู่ห้าสิบเปอรองดูนะตะขาบมันตอดกัด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 ลูกแห่งกรรมคุณลูกรถกิ่นเฉียงเป็นดงทุกวันนี้มองดูลงหนังโลกครมากกวัวโรงเรียนแหลงโสภณีมา ก, กวัวโรงพยาบาลใบบุกเมากลกัววัดว่าลามันสู้ไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกตนยุคนี้สมัยนี้ต้องฝึกตนสอนตน้าไม่ฝึกตนสอนตนจะอยู่ในโลกแบบจับจบหยับไปเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา